ตอนได้หน้ากับตอนเสียหน้าปัตตาตัวตนปรากฏชัดที่สุดราบใดยังไม่ใช่พระอระหันต์ก็ยังรู้สึกในตัวตนรู้สึกในหน้าตาได้อยู่การยอมมองเข้ามาในใจตนณจุดเกิดเหตุให้ได้หน้ากับเสียหน้าเป็นการพิสูจน์ความเข้าใจว่าเจริญสติจริงๆ เขาดูอะไรกันกับทั้งเป็นการพิสูจน์ใจว่าใครจะยอมดูของจริงใครจะเอาแต่ดูของเทียมนักเจริญสติเกือบร้อยทั้งร้อยไม่เข้าใจว่าจเจริญสติไปเพื่อทิ้งตัวตนหลายคนกลับจะเจริญสติเพื่อเอาภาพตัวตนที่สูงส่งฉะนั้น จึงฝึกดูความสุขความทุกข์แบบผิวๆฝึกดูความฟุ้งซ่านและความโกรธแบบอ่อนๆซึ่งล้วนเป็นกิเลสระดับปลายแถวของอัตตาไม่ใช่กิเลสระดับโคตเง้าของอัตตาความก้าวหน้าก้าวหลังจึงเป็นไปแบบลุ่มๆดอนๆจับไม่มั่นคันไม่ตายไม่เห็นพัฒนาการที่ชัดเจนต่อเมื่อบอกตัวเองถูกว่า ขณะได้หน้ารู้สึกว่าใบหน้าเบ่งบานเท่ากระดองหัวใจพองมีกูใหญ่มีกูเด่นอยู่ท่วมทนแล้วเกิดสติรู้ว่าหน้าบานไปก็เท่านั้นรู้ว่ากูเด่นกูใหญ่ไปก็เท่านั้นเดี๋ยวก็เล็กแฟบนั่นแหละอุปาทานว่ามีอัตตาจึงค่อยๆ ค, คลายตัว นอกจากนั้นยังบอกตัวเองถูกว่าขณะเสียหน้ารู้สึกว่าหน้าหดเหลือสองนิ้วหัวใจแฟบมีกูไอมีกูจ่อยหรือกระทั่งมีกูหน้ามืดกูดิ้นรนสติแตกอยากล้างอายด้วยการพูดพินเพี้ยนคำเรื่องพินเพียเพ้ยนแล้วเกิดสติรู้ว่าหน้าหดไปก็เท่านั้นเดี๋ยวก็บาน รู้ว่านามืดไปก็เท่านั้นเดี๋ยวก็สว่างนั่นละ่ะอุปาทานว่ามีอัตตาจึงค่อยๆหายไปถ้าเข้าใจถูกถ้าดูจริงอัตตาจะน้อยลงถ้าเข้าใจผิดถ้าไม่ดูจริงอัตตาจะเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้น